ที่นี่เราตื่นเช้านะตื่นเช้าก่อนที่นกจะหากินซะอีกตอนที่หลวงพ่อยอังเด็กเนี่ยอคุยใหญ่ก็บอกว่าอย่าให้ตื่นที่หลังกลานะต้องให้ตื่นก่อนกลากานี่มันเป็นสัตว์ที่ขยันหากินมากมันตื่นแต่เช้า คนเราเนี่ยถ้าตื่นที่หลังกานี่ก็ถือว่าที่เกียดแล้วนะต้องตื่นก่อนแต่ที่นี่นี่ก็ตื่นอ่าก่อนกานะเป็นชั่วโมงเลยตื่นแต่เช้านะก่อนกานี้่หลายชั่วโมงตื่นมาทำอะไรนะ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 เราจะดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันให้มีความสุขสำราดใจยังไงแล้วก็มาสวดมนต์แต่สวดมนต์คนเดียวหรือว่าสวดมนต์พร้อมๆกันที่สารานี้ก็ได้นะแต่สวดมนต์พร้อมกันที่สารานี้มันดีกว่านะมันทำให้ใจตื่นไม่งงงเอาหานอนเพราะว่ามี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 นึกถึงแล้วใจก็สะอาดความอยากจะทำบาปความอยากจะทำชั่วเนี่ยมันก็หดหายไปใจเราเนี่ยมันมีอยู่สองตัวนะตัวดีกับตัวร้ายตัวดีก็คือความเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยากจะทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเนื้อตัวดีส่วนตัวร้ายนี่ก็ก็มีเหมือนกันอยู่ในใจเรามันก็พ่อเป็นตัวโกรธตัวเกลียดคอยจะชักชวนให้เราทำบาปเร็นรักขโมยหรือว่า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 เหมือนกับผีเนี่ยพอเจอพระนี่ก็ยอมแท้ตัวร้ายนี่ก็จะเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นผีก็ได้นะผีในใจเราผีกิเลสนั่นนะพอเราสวดมนต์มนไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเราสวดด้วยปากพูดใจก็ว่าตามน้อมติดตามไปด้วยมันก็ เป็นอาหารเป็นกำลังให้กับตัวดีส่วนตัวร้ายนะในใจเรามันก็พ่ายแพ้หลบหนีไปอันนี้เราก็ว่าเป็นการชระใจให้สะอาดนะทำให้ใจเรามีความขาวขาวสะอาดพอตัวร้ายเนี่ยมันมันทำให้ใจดำ คนใจดำเนี่ยเพราะว่าหมายถึงคนที่ไม่มีน้ำใจเห็นแก่ตัวอันนี้เพราะว่าตัวลายนี่มันครอบงาใจใจก็เลยดำแต่ถ้าเราสวดมนต์ฟังธรรมหรือว่าทำสมาธินะใจเราก็เป็นบุญ ไม่เรียกว่าใจขาวใจสะอาดนะนนี้เรียกว่าการชรําระใจนะแต่ถ้ามามันนั่งตรงนี้พระสวดแมชีสวดแต่ว่าเรานั่งหลับนะมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะมันก็ยังไม่ใช่เป็นการชำระใจให้ขาวสะอาดเท่าไหร่การสวดมนต์ น, นี่ยมันทําให้เรามีของดีด้วยนะทาให้ใจารามีของดี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 เวลาจะออกทุดดงไปไหนแต่ก่อนพระเนี่ยน่ะชอบอยู่ป่านะพระชอบอยู่ป่าถึงแม้ว่าอยู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านก็ก็ต้องหาทางเข้าไปอยู่ในป่าก็เรียกว่าุดดงชุดดงจริงชุดดงเนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกนะเป็นเครื่องฝึกให้ เป็นคนอยู่ง่ายสันโดษเป็นเครื่องขัดเกากเกลียดอยู่ง่ายยังไงก็เช่นว่าฉันอาหารวาลลามือนี่ก็เราทุดดงนะหรือว่านอนใต้คนไม้นอนคนไม้ก็ทุดดงฉั้นในบาปอันนี้ก็เราทุดดงนะหรือว่าไม่นอนเลยนะมีแต่ยืนเดินนั่ง ไม่มีการเอาหลังมาตั้มผัสพื้นก็ทุดงแต่ทุดดงนะสมัยนี้เนี่ยเราก็นึกถึงการเข้าไปในป่าแต่พระสมัยก่อนนี่ก็ชอบเดินทุดดงนะไปอยู่ป่าสมัยก่อนนี่ป่านี่มันมีเต็มทั้งประเทศเลยอยู่กรุงเทพเนี่ยนะ ออกไปไม่กี่ออกไปไม่เท่าไหร่ก็เป็นป่าแล้วแถวลังสิตนี่โอ้ก็มีจะเรียกว่าเป็นป่าน้อยๆก็ได้กินบ้านเราเนี่ยบ้านป่าเนี่ยนพะไปออกไปไม่ถึงกิโลก็ป่าแล้วในป่าเนี่ยนะมันมีอะไรนะมันก็มีอันตราย แต่ว่าพระนี่ก็ไปในป่าเนี่ยไม่ใช่เพื่อไปไปเจออันตรายนะท่านไปเพื่อไปหาความสงบสงัดเพราะว่าความสงบสงัดเนี่ยมันทําให้จิตใจเป็นสมาธิใจมีสมาธิใจก็จะแข็งแรงใจที่มีสมาธิจะเป็นใจที่แข็งแรงเข้มแข็งนะคนเราเนี่ย ร่างกายจะแข็งแรงได้ต้องออกกำลังกายใช่ไหมยกน้ำหนักหรือว่ า, าวิ่งแต่ว่าจิตใจเนี่ยถ้าจะแข็งแรงเนี่ยต้องทำสมาธิจิตจะตั้งมั่นแต่สมาธิเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะเกิดขึ้ น, นคือไปอยู่ในที่ทสงบสงัดจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว แต่ว่าในป่ามันก็ต้องมีอุปสรรคนะอุปสรรคนี้ก็คือความยากลำบากอาหารน้ำท่าก็อาจจะน้อยแล้วก็ จ, จะมีเชื้อโรคนะแลที่น่ากลัวกั น, นัคือสิงสาราสัตว์เช่นช้างเช่นเสือหรือว่า ง, งูหมี มัยก่อนนี้มีเพียบเลยในป่าสอา <c oughs> ที่พูลงนี้ยังมีเลยนะช้างไม่มีแล้วเสือไม่มีแล้วแต่มีมีมีหมูป่าหมูป่าเยอะแยะเลยข้างบนเนี่ยมีงูไนงะงูนี่ก็ไม่ต้องไปอยู่ข้างบนเนะมันก็อยู่ไปทั่วแต่ก็กลัวคนนะ แต่ว่าป่าสมัยก่อนเนี่ยนะคนไม่ค่อยไปเท่าไหร่ก็มีแต่ตว์เป็นเจ้าปา่าผ้าสุดงสมัยก่อนเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยบางทีกำลังทำสมาธิอยู่ ด, ดนะีก็เจอของดีนันะอย่างหลวงปูบุต ร, ร ด, ดานะท่านเล่าว่า หลวงปู่อาจารย์นี่ท่านก็มรณภาพไปยี่สิบปีแล้วนะอายุท่านเป็นร้อยหนึ่งร้อยปีพอดีตอนที่มานรณภาพตอนหนึ่งผมนี่ท่าก็คุดงนะมีช่วงหนึ่งก็ไปก็ไปพักแลในในถ้ำนั่งสมาธิหลับตาจู่ๆก็ได้กลิ่นกลิ่นเหม็นๆกลิ่นสับส่าปแปลก สังชาติเตียมมันบอกเลยว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าอยากจะเปิดตาดูาว่ามันคืออะไรแต่ว่าไม่กล้าสัญชาติเตียมคนนี่มันบางทีไม่เห็นนแต่รู้นะว่ามีสิ่งน่ากลัวอยู่ข้างหน้าฉันว่ากลัวนงะกลัวจนกราั่งตัวแข็งเลยนะเหนือออก เหนือนี่ม่ออกมาทาันทีนะพอ ก, กลัวเนี่ยแต่ฉันก็ตั้งสติได้รหว่างี่กลัวนี่ก็ถามเปิองว่าถ้ากลัวถึงแม้ไม่เปิดตานะถ้าจะต้องตายเนะี่ยมันก็ตายวันยังค่ำไม่มีทางหนีไปไหนได้อยู่ในถ้ำนี่ ในเมื่ออย่ต้องตายนี่ก็ให้รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรดีกว่าที่แรกมันไม่อยอกเปิดตามันก็เราไปดูหนังผีอะเราก็เวลาผีมาเราก็ติดต า, าก็กลัวแต่ว่าใจนึงมันก็กลางไงก็เลยกูดาก็เลยเปิดตาขึ้นมาดูดูนะว่า มันอาจจเป็นตายถึงตายแต่ว่าถ้ายะตายก็ขอยรั้ว่าตายเพราะอะไรเปิด ต, ตาดูเจออะไรเจองูตัวใหญ่เมันชูคออยู่ข้างหน้าท่านว่าเนี่ยหัวมันเนี่ยเท่ากับมะพร้าวลูกงเงินนะหัวมันเท่ากับมะพร้าวเลยนะตาแดงนะแลบสิ้นดูห่างหน้าท่านประมาณเม็ดประมาณ ประมาณเมตรหนึ่งชูขึ้นมาแล้วก็กลัวตัวแข็งเลยตกตะลึงว่าไม่เคยเจองูตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มันทำท่าจะจะฉกด้วยแต่ว่าท่านก็ตั้งสติได้นะพอตั้งสติได้ก็ระ ล, ลึกถึงอะไรอย่างแรกที่นึกถึงก็คือ พระผู้ประทัาประสงค์และลึกถึงพระรรชนาใจก็ขอให้พระราชนาใจนั้นคุ้มครองเสร็จแล้วก็ทาใจสงบพอนน้มพระราชนาฏใจ ใ, ใจสงบเลยนยเหมือนก็มีความอุ่นใจพอสงบแล้วเนี่ยความกลัวมันก็หายไปแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเออเรา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 ตรงนี้แหละตายส ง, งบตอนนั้นเรียกว่าปล่อยวางแล้วไม่มีความอะไรในชีวิตมันมัน ก, ก็หลับตานง่งนะไม่มีความกลัวไม่มีความเกลียดมันงูตัวนี้เลยพอว่างูมันก็ชูคอสบกพักไปหลงปูป้านิ่งมันก็เลื้อยออกไปในสุด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 ท่านก็เดินทุดงเหมือนกันนะภาคเหนือภาคเหนือนี่สัตว์ช้างเยอะมากคือหนึ่งเดินจงกรมอยู่ได้ินเสียงระช้างร้องดังสนั่นเลยแล้วก็หักกิ่งไม้เสียงตกมาที่ท่านไม่รู้ช้างได้กลิ่นยังไงนะเป็นช้างโทนด้วย พอถ้ารัวช้างกำลังมานี่ก็รีบจุดเทียนเลยนะจุดเทียนเป็นแนวรอบทางจงกรมกลัวก็กลัวนะแต่คิดว่าเนี่ยแสงเทียนเนี่ยก็คงจะช่วยสะกดไม่เช้านี่มาทำร้ายท่านได้สักพักเนี่ยช้างก็มาตัวใหญ่มากว่าประจันหน้ากันเลยนะ ผมปูขากลัวเหมือนกันนะแต่ท่านก็ทําใจดีใจสู้เดินจงกรมขาที่กลัวเนี่ยก็ตั้งสติได้ก็อธิษฐานนะขอให้พระสัททาใส่คุ้มครองแล้วติตท่านก็นึกถึงพุทโธรหว่างที่เดินจงกรมในใจก็นึกถึงพุทโธพุทโธคือพระพุทธเจ้านเนี่ย ตอนนั้นนี่ไม่ไม่สนใจช้างเลยนะสนใจแต่สดจ่ออยู่แต่พุทธโธแล้วก็บอกกับเวเองว่าให้จิตอยู่พุทธโธนี่แหละถ้าเกิดว่าจะต้องตายเพราะช้างกระทื้นนะก็จะได้ไปสุคติหรือว่าอาจจะบรรลุนิพพานก็ได้คือท่านก็ยอมยอมตายเหมือนกันนะ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 คนเรเวลามีอันตรายอะไรขึ้นมาเนี่ยหาว่าจิตเนี่ยเป็นหนึ่งเดยกพุโทโธเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรทําอันตรายเราได้นี่จึงบอกว่าพาฒนาใจจะเป็นของดีนะเป็นของดีที่เราควรน้อมเข้ามาใส่ใจน้อมเข้ามาใส่ใจอยู่ บ, บ่อยๆบ่อยๆเวลามีอันตราย จะได้เราเลอกนึกถึงได้รวดเร็วแล้วถึงด้วยเร็วเนี่ยจะทาให้เกิอดอะไรขึ้นมาจะไม่จิตตั้งมัน่นจิตไม่กลัวจิตมีสติพอจิตมีสติแล้วจะทำอะไรมันก็ทาด้วยความระมัดระวังหรือว่าสามารถจะระงับความกลัวจนทั่งจิตเนี่ยมั่นคงได้เรื่องที่เล่ามาเนี่ยหลวงปู่ ขาวก็ดีของบูปัญญาก็ดีเนี่ยถ้าทาไม่มีสตินะกลัวลุกขึ้นวิ่งเกิดไรขึ้นนะงูมันก็ตามหกหรือแมงกระช้ามก็วิ่งไปเหยียบกระซืบได้เพราะความตกใจคนก็ตกใจใส่สก็ตกใจมันไม่ที่จะกินเป็นอาหารนะเพราะมันไม่ไกินคนอยู่แนละ้วแต่ว่ามันตกใจมันก็เลยทำร้าย เวลาเมียอันตรายขึ้นมาเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยนิ่งเอาไว้เป็นดีที่สุดนิ่งเอาไว้นิ่งได้เพราะอะไรนิ่งได้เพราะมีสตินิ่งเพราะว่าจิตเนี่ยเือถึงพลัสนัทใ ร, รก็ทำให้มีสติหายกลัวคนเราเนี่ ย, ยิ่งกลัว ย, ยิ่งอันตรายนะ ความกลัวเนี่ยมันเป็นอันตรายของมนุษย์ถ้าเราจะรอดจากอันตรายได้เนี่ยต้องระงับความกลัวาการเลือถึงภพัฒนาใจเนี่ยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันทำให้ความกลัวเนี่ยหายไปแล้วก็ปล่อยวางด้วยนะความกลัวเนี่ยมันกลัวตายนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจเออจะตายก็ตาย พร้อมแนละ้วไม่อะไรในชีวิตเนี่ยกลับรอดนะยิ่งกลัวตายกับตายเร็วนะแต่ไม่กลัวพร้อมความตายจะมาก็มาเลยนะกลับทำให้รอดจากความตายได้อพวกเรานี่โชคดีนะที่ได้มีโอกาสรู้จักพระรัตนใจนะเป็นชาวพุทธก็พยายามน้อมใจนถึงพระรัตนใจบ่อย ไม่ใช่เฉพาะเวลามีอันตรายเท่านะั้นนะแต่เวลาอยากจะทำชั่วอยากจะผิดศีลเนี่ยก็เลยถึงพะัะนาฆ์ใสไว้ตอนที่เราอยากทำชั่วอยากผิดศีลเนี่ยตัวร้ายเนี่ยหรือว่าผีกิเลนเนี่ยมันกลังคล้องกำจัแล้วคือเราทำตามมันนะเราก็จะเดือดร้อนภายหลังไปขโมยเงินเพื่อน ไ ป, ปรมโมยโทรศัพท์ของครูเรอไปยิงไปยิงนกเน่อันนี้อ่ะมันเป็นบาปนะซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังแต่ถ้าเราถึงพรษนาดตายเมื่อไหร่ไอ้ตัวร้ายเหล่านั้นเนี่ยตัวผีกิเลสเนี่ยมันก็จะฟอไป มันก็จะเหมือนกับงูหรือช้างนะที่พอเราเงียบสงบพอเราถึงพัฒนาตายเนี่ยมันก็ล่าถอยไปที่จริงสมัยนี้นะคนเราเนี่ยไม่เคยได้เจอช้างไม่เคยได้เจองูหรืออันตรายแบบนี้นนะอันตรายที่เป็นสัตว์เนี่ยมันมีน้อยแล้วหรือไม่มีเลย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 อันตรายบองข้ามก็เกิดขึ้นที่ใจเราเช้นอะไรบ้างนะเช่นความรวจความเกลียดนะความเศร้าความเครียดนะมันเกิดขึ้นในใจเรานะ <c oughs> ก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ คนสมัยนี่เครียดมากจนกระทั่งเป็นโรคประสราทก็มีหรือว่าโกรธมากจนกระทั่งเป็นโรคหัวใจนะก็เราเด็กๆอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทําให้เกิดความรุ่มร้อนในจิตใจได้ อันนี้คืออันตรายนะของคนยุคใหม่คนยุคใหม่นี่ตายเพราะความเครียดตายเพราะความความดันตายเพราะโรคหัวใจตายเพราะเซลล์นในสมองแตกนี่เยอะนะตายเพราะมะเร็งอันนี้มันเกิดจากความเครียดความความทุกข์ในใจนั่นทำไมมันเกิดขึ้นได้นะก็เพราะว่า ไม่รู้จักทําใจใเป็นสมาธิไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางคนเรานี่เดี๋ยวนี้ปล่อยนะเลี้ยงนะเลี้ยงเลี้ยงศัตรูไว้ในใจเราเราเลี้ยงความโกรธเราเลี้ยงความเกลียดเราเลี้ยงความความเครียดเอาไว้ในใจเราเราไม่จะบอกว่าเรารักตัวเองเรารักตัวเองนะ ถามนักเรียนทุกค น, นกเรก็บอกว่ารักตัวเองแต่เคยสงสัยไหมว่าเออทำไมเราเราชอบเลี้ยงความโกรธความเกลียดเอาไว้เลี้ยงความโลภไว้ในใจเวลาโกรธใครเวลาเกลียดใครแทนที่จะพยายามดับความโกรธความเกลียดก็ปล่อยให้มันเผาใจปล่อยให้มันทิ่มแทงใจ ความกลัความเกลียดไละทำงานมันก็สั่งให้เราดา่ามันก็สั่งให้เราทุบตีปล่อยตีเพื่อนบางทีถึงกับทําร้ายพ่อแม่ทุบตีพ่อแม่บาปไหไอทําไมเราต้อง ท, ทำบาปนะก็เพราะว่าปล่อยให้ความกลัวความเกลียดความชั่วร้ายมันคลองใจไอพวกนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายนะ ต่อชีวิต จ, จ, จิตใจของเราถ้าเราลักตัวลับตัวเองเราต้องไม่ไม่ปล่อยให้มันคลองใจเราไม่ปล่อยให้มันมายึดจิตใ จ, จเราเอาไว้ต้องไล่มันออกไปพุทธเจา้าตัดว่าเนะคนชั่วเนี่ยคนพาลเนี่ยคนพาลปัญญาสามหรือคนโง่ก็ได้นะทำย่อมทากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรู คนพาลคนโง่เนี่ยทํากับตัวเองเมืันเป็นศัตรูหมาย้อาอย่างไรก็หมายเขาว่าไปผิดศีลมังละ่ะไปทําร้ายไปโกหกมั่งละอันเนี้คือการทําร้ายตัวเองเพราะว่ามันทําให้เกิดเรื่องเดือนอร้อนใจในภายหลังที่จรงไม่ต้องรอให้มันเดือนอร้อนใจภายหลังนะใช่เรามีความโกลีดความเกลียดนี่มันก็ มันก็ทุกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วละถ้าเรารักตัวเองนะ้วก็พยายามรักษาใจนะอย่าให้ใหอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันเข้ามาครอบงำจิตใจเราต้องหาทางสกัดไม่ให้มันเข้ามาหรือถ้ามาเข้ามาแล้วก็ต้องขับไล่มันออกไปเป็นตังสติให้ได้ หรือว่าเราคถึงภาสนาจใจเนี่ยเอาพุทโธจิตกำลังพุทโธเนี่ยเวลาโปรนี่ให้อาพุทโธเป็นที่พึ่งหรือแม้แต่เวลาเจ็บเวลาปวดนี่ก็ใช้พุทโธได้ น, น้องไออายุสี่ขวบนะพวกเธอยังไม่รู้จักน้องไอแต่ว่าฟังเอาไว้ น, น่าสนใจน้องไอเนี่ยอายุสี่ขวบวันหนึ่ง ดีใจอารมณ์ดีนะวิ่งนะวิ่งไปชนประตูกระจกประตูนะมันไม่ใช่ไมาเป็นกระจกนะแกนึกว่าประตูเปิดอยู่เลยวิ่งออกไปแล้วก็ไปชนกระจกเสียงดงตึงแม่ได้ยินเสียงน้องไ อ, องร้องก็รีบวิ่งมาเห็นน้องไอ้ก็จะไปกอดเอาไว้เพื่อปลอบน้องไอจะได้ไม่ปวด น้องไอเห็นแม่กลงังวิ่งขึ้นมาก็ยกมือบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอนั่งสมาธิความปวดก็จะหายไปน้องไอฉลาดนะปวดเนี่ยก็รู้ว่าถ้าปวดเนี่ยรู้ว่านั่งสมาธิจะหายนะสมาธิมันทำให้ลืมปวดได้อันนี้น้องไอเป็นคนฉลาดนะรู้ว่าสมาธิเนี่ยนะมันมีประโยชน์ น้องไอแทท้แทนที่จะโกรธประตูแทนที่จะเตะประตูแทนที่จะทุบกระจกนะเพราะว่ามันทำให้ฉันปวดน้องไอ้กลับมานั่งสมาธิเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิก็จะความปวดก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้เราเป็นคนมีวิชานะความรวด จ, จะน้อยอาจจะยังอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่ามีมีวิชาแล้ว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 มันก็ปวดใจกายแต่คันนี้มันก็จะน้อยลงแล้วแต่บางทีเราเราเป็นทุกขพาะความโกรธนะปาวานเนี่ยอายประมาณสี่ขวบวันหนึ่งโดนแม่ว่าโอ้ดีปาวานก็จะเสียงแม่ก็จะไม่พอใจแม่พอไม่พอใจก็ว่าแม่เสียงแม่แต่วันนี้ปาวานไม่เสียงเงียบ แม่ว่าเสร็จปวานก็เดินออกไปแม่ก็แปลกใจทําไมปวานไม่เถียงปวานทาอะไรเนี่ยเดินตามปวานไปแล้วถามว่าปวานทาอะไรปวานตอบว่าไงรู้ไหมปวานบอกว่าผมจะไมมผจะไปสงบสติอารมณ์ครับนะปวารู้ว่าตอนนี้กําลังโกรธไม่พอใจแล้วปวานก็รู้ว่าความโกรธ่ยให้ทําให้ทุกข์แล้วปวานก็รู้ว่า ต, ต้องทำให้ความโกรธหายไปทำยังไงก็ไปสงบสติอารมณ์นี่เป็นวิสัยคนที่รักตัวเองนะคนที่รักตัวเองนี่เขาจะพยายามไม่ให้ความโกรธเข้ามาเล่นงานจิตใจเขาจะพยายามทำให้เพีายามรักษาใจให้สงบไปสงบสติอารมณ์นะนี่คือคนที่รักตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองนะก็จะ เต่เข้าของทำลายเข้าของหรือว่าด่าด่าแม่ด่าแม่ก็ว่าแม่แต่แล้เป็นงงก็เดือดร้อนสิของที่ขว้างปาไว้ก็เสียบางทีไปเตะเตะโทาชัดทางเนี่ยเดือดร้อนนะเดือดร้อนอันนี้เราไม่รักตัวเองนะคนรักตัวเองนี่ก็เวลามีความทุกข์เขาจะพยายามระงับความทุกข์ด้วยใจตัวเองด้วยสมาธิเวลาเวลา บวดเวลาเจ็บนะเขาก็จะมีของดีนะก็คือสมาธิรักษารักษาความปวดได้แล้วเวลามีอันตรายนะก็จะสายสมาธิสายสติสายพระธรรมไัาายนี่แหละเพื่อคุ้มครองรักษาจิตใจและชีวิตให้ปลอดภัยก็ก็ให้เรานะรู้จักของดีนี่ไว้นะแล้ว เ, เอาไปใช้ติกตัวไว้อาละก็พูดกันแค่นี้สนาะ